ให้ชาวพุทธเราปล่อยวางภารกิจการงานทางโลกการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อมาทำงานสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่จิตใจจิตใจนี้เป็นส่วนที่สำคัญกว่าร่างกาย และสิ่งต่างๆที่ร่างกายหามาได้เช่นลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกพิ้นกายเพราะว่าร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองลาบยศสรรเสริญสุขก็เป็นของชั่วคราวพอร่างกายตายไปแล้ว ใจก็จะไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยสิ่งต่างๆที่หามาได้ทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองยศ ธ, ธาบรรดาศักดิ์รางวี่รางวัลเกียรติยศต่างๆและความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายก็จะไม่สามารถเอาสิ่งเหล่านี้ไปได้เลย สิ่งที่ใจจะสามารถเอาไปได้ก็คือบุญและบาปเท่านั้นถ้าเป็นบุญบุญก็จะเป็นผู้สนับสนุนให้ใจไปสู่สุขติให้ไปสู่ที่สุขที่ชอบที่เจริญที่โน่มเย็นที่คร้าวคาดปลอดภัยอากทุกข์ภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ถ้าบาปเป็นถ้านําเอาบาปไปบาปก็จะไปพาให้ใจไปติดคุกติดตารางในอบายไปอยู่อย่างทุกข์ยากลำบากอัตคัดขัดสนมีภัยที่สร้างความเครียดสร้างความทุกข์สร้างความกลัวต่างๆให้แก่ใจบาปจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะเอาไป ควรจะเอาไปแต่บุญบุญจะพาให้ใจไปสู่สู่สวรรค์ชั้นต่างๆและไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏที่เป็นแดนของความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงต้องทำบุญให้มากๆทำบุญทุกระดับตามกำลัง แล้วบุญนี้เมื่อถึงเวลาก็จะส่งผลเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วร่างกายของเรานี้ร่าพบชาติของเราในขณะที่เป็นมนุษย์อยู่นี้เป็นเป็นพบชั่วคราวอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวเราก็ต้องออกเดินทางต่อไปเปรียบเหมือนกับ ที่เราไปอยู่ที่สนามบินกันไปรอขึ้นเครื่องกันก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องได้เราก็ต้องทําหนังสือเดินทาง<ม>ทําวีซา่า<ม>ซื้อตัว๋วจองตัว๋วแล้วก็ต้องมีเงินทองติดตัวไปได้ไปด้วยเราถึงจะไปอย่างสุขอย่างสบาย ถ้าเราไม่ได้เตรียมหนังสือเดินทางไม่ได้ทําวีซ่าไม่ได้จองตั๋วเครื่องบินไม่มีเงินติดตัวไปพอเราจะต้องออกเดินทางจาก่ลงนี้ไปเราก็ต้องเดินทางไปแบบผู้อพยพเดินทางไปทางทางเท้าเดินไปตามทางตามป่าตามเขาเพื่อออกไปสู่นอกประเทศแล้วก็ไปอยู่ตามค่ายอพยพต่างๆ พะเราไม่มีทรัพย์ไม่มีอะไรติดตัวไปเลยนี่คือลักษณะของใจของพวกเราตอนนี้ใจของเราอยู่ในโลกนี้ก็เหมือนกับอยู่ที่สนามบินกำลังรอขึ้นเครื่องกันเราต้องตรวจดูว่าเรามีหนังสือเดินทางพร้อมหรือยังมีวีซ่าที่จะเข้าประเทศต่างประเทศได้หรือยังมีตั๋วเครื่องบินที่จะขึ้นเครื่องได้หรือไม่ ถ้ามีเงินทองติดตัวไปหรือเปล่าถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วรเราก็จะไปสบายค ร, รูเจ้าถึงสอนว่า อ, อย่าประมาทอย่าไปคิดว่าโลกนี้เป็นที่อยู่ของเราอย่างถาว ร, รความจริงเป็นแค่สถานสถานีรถไฟหรือเป็นท่าอากาศยานที่เรากำลังมารอขึ้นเครื่องกันไป ต่างประเทศกันงั้นเราอย่าหลงกับการหาความสุขจากสิ่งที่เขามีขายในในสนามบินตามสนามบินเดี๋ยวนี้เขาก็มีอะไรหลายอย่างให้เราได้เพลิดเพลินให้มีความสุขมีร้านอาหารชนิดต่างๆมีร้านขายของชนิดต่างๆให้เราได้เพลิดเพลินซื้อกันแต่ถ้าเราไม่มีหนังสือเดินทางไม่มีวีซ่า ไม่มีตัว๋วถึงเวลาที่เราต้องออกเดินทางเราก็จะไม่สามารถขึ้นเครื่องไปได้<ม>เราก็ต้องเดินไปทางเท้าไปแบบผู้อพยพเช่<ม>นเวลาที่มีสงครามกัน<ม>เราต้องโยกย้ายบ้านกันถ้าเราไม่ได้เตรียมหนังสือเดินทางเตรียมวีซา่าเตรียมตัว๋วเครื่องบินเตรียมเงินเตรียมทองเราก็จะขึ้นเครื่องไปไม่ได้เราก็ต้องไปทางเท้าไปตามชายแดน แล้วก็อาจต้องไปอยู่ตามค่ายอบพยพตามชายแดนเพราะเราไม่มีหนังสืออนุญาตให้เข้าประเทศเขาได้ <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันใจของเราตอนนี้อยู่ในภพของมนุษย์แต่วันหนึ่งเมื่อร่างกายนี้ตายไปใจเราก็ต้องไปต่อและสิ่งที่จะที่จะตัดสินว่าเราจะไปทางไหน <c oughs> ก็อยู่ที่บุญที่บาป ที่เรากำลังทำกันอยู่ในคณะที่เรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ชาวพุทธเราเออพยายามอย่าทำบาปกันละการกระทำบาปเพราะว่าถ้าเราทำบาปแล้วบาปนี้จะเป็นผู้จัดการหรือ จับจิตให้จับใจให้เข้าไปสู่คุกตารางของอบายการทาบาบนี้ก็มีอยู่สี่ลักษณะด้วยกันทาบาบด้วยความหลงก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานทาบาบด้วยความโลภก็จะไปเป็นเปรตเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยทำบาบด้วยความกลัวก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่หวาดกลัว คือเป็นอสุรกายแล้วถ้าทำบาบด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรร ม, มก็จะต้องไปนรก<ม>ถูกไฟนรกคือไฟของความอาฆาตพยาพยาบาทเผาผลาญไปจนกาบาปที่ได้ทำนั้นหมดกำลังลงถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ม แต่ถ้าไม่ทำบาปเลยพยายามรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายามเมาและไม่เสพอบายามุขต่างๆเช่นการเล่นการพนันการ การเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆ mm hmm. การครบคนที่ชอบอบายามุขเป็นนิด mm hmm. และความเกียดคร้าน mm hmm. เพราะการกระทำเหล่านี้จะผลักดันให้ใจต้องไปทำบาปต่อไปเพราะว่าอบายามุขนี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่า mm ย hmm. mm hmm. ไม่ช้าก็เร็วทรัพย์สินที่มีอยู่ ก็จะถูกอาบายามุขดูดไปหมดพอไม่มีเงินมีทองแล้วไม่มีความขยันหมั่นเพียรที่ทำงานทำการก็จะต้องไปหาเงินทองมาด้วยวิธีที่ทุจลิตคือด้วยวิธีทำบาปเช่นไปลักทรัพย์บ้างไปช่อโกงไปหลอกลวงผู้อื่นบ้าง และหรือไม่เช่นนั้นก็อาจไปป้นไปจี้ไปฆ่าผู้เพื่อให้ได้ทรัพย์สินมาใช้ต่อไปนี่คือการกระทำที่ผู้ที่ไม่ต้องการที่จะไปรับผลอันไม่ดีไม่ให้กระทำกันคือไม่ให้ไปอบายทั้งสี่สถานถ้ามีการรักษาสินอย่างต่อเนื่อง โอกาสที่จะไปเกิดในอบายนี้ก็ยากแต่ยังอาจจะเป็นยังอาจจะเกิดขึ้นได้เวลาใดที่เราขาดสติรู้แก่อำนาจของโลโลภะโทสะหรือโมหะเวลาที่เกิดความโลภมากๆทั้งๆที่พยายามรักษาสีลห้าอยู่ก็าตามแต่เวลาเกิดความโลภมากๆก็อาจจะห้ามใจไว้ไม่ได้ หรือเวลาเกิดความโกรธขึ้นมามากๆหรือความหลงมากๆก็อาจจะทําให้ต้องไปทําบาปได้เพื่อความตอดภัยพระพุทธเจ้าจึงสอน ส, อ ง, สองสอนให้นอกจากการไม่ทํไม่ทบาปแล้วก็ให้ทาบุญอยู่เรื่อยๆให้ทําบุญทาทานอยู่เรื่อยๆเพราะว่าบุญนี้จะเป็นผู้ที่จะดึงใจให้ไปสวรรค์ ถ้าเราทำบุญมากกว่าทาบาป<ม>เวลาร่างกายตายไปบุญก็จะเป็นผู้ดึงใจให้ไปสู่สวรรค์ก่อน<ม>บาปยังไม่สามารถที่จะแสดงผลได้<ม>บาปบาปจะแสดงผลได้ก็ต่อเมื่อเวลาที่บุญนี้มีน้อยกว่าบาปเท่านั้นดังนั้นนอกจากการรักษาศีลแล้ว ยังเราถึงควรที่จะหมั่นทำบุญกันอยู่เรื่อยๆเพราะบุญนี้จะเป็นผู้ที่จะดึงใจของเราให้ขึ้นสูงจากการเป็นมนุษย์นี้เราก็จะขึ้นไปสู่การเป็นเทวดาเ ป, เป็นเทวดาชั้นเทพอยู่สวรรค์ชั้นเทพหกชั้นด้วยกันขึ้นอยู่กับว่าเราทำมากทำน้อยทำบุญทำทานทำมากทำน้อย ทำมากเราก็จะได้ไปสวรรค์ที่มีความสุขมากทำน้อยก็ไปสู่สวรรค์ที่มีความสุขน้อยอันนี้มีแบ่งไว้เป็นหกชั้นด้วยกันถ้าเราทำบุญอยู่เรื่อยๆแล้วก็พยายาม ร, รักษาศีลไปเรื่อยๆโอกาสที่จะไปอบายนี้ก็จะไม่มีหรืยากมากที่จะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นควรจะทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปควรพยายามรักษาศีลห้าให้เป็นปกติไม่ทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีพูดปด เ, เ, เ, เสษสุรายามาวันละเสพอบายามุกต่างๆแล้วก็เหมือนทำบุญให้เป็นนิสัยทำบุญทำทานถ้าทำได้ทุกวันก็จะดี เช่นชาวบ้านนี้ที่อยู่ตามชนบทมักจะได้ทําบุญกันทุกวันเพราะมีพระจะเดินเข้าบ้านไปบิณฑบาตกัน<ม>ก็ทําไปตามมีตามเกิด<ม>ก็ถือว่าได้ทําบุญแม้แต่ข้าวทัพพีเดียวก็ยังถือว่าได้ทําบุญอยู่<ม>ดีกว่าไม่ได้ทําเลย<ม>แล้วถ้าทําไปทุกวันทุกวันข้าวทัพพีหนึ่งก็จะกลายเป็นหลายทัพพีด้วยกันบุญก็จะค่อยคอย จเจริญเติบโตมากขึ้นไปตามลำดับตามกำลังของการทำบุญเมื่อทำเป็นนิสัยแล้วมันก็จะง่ายจะติดนิสัยเวลาถึงเวลาจะทำบุญก็ทำได้ทันทีถ้าไม่ทำให้เป็นนิสัยน า, นานจะทำทีเวลาจะทำแต่ละครั้งก็จะมีความรู้สึกตนเมีความหวงทรัพย์สิ่อมข้าวของเงินทองทำได้แต่ละครั้งก็ไม่มาก เพราะอยากจะเอาเงินไปใช้ในทางที่เป็นโทษกับจิตใจคือเอาเงินทองไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไปซื้อของไม่จำเป็นซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของที่มีราคาแพงๆหรือไปใช้กับการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ การไปดูมหมอศส บ, บันเทิงต่างๆเหล่านี้เป็นการใช้เงินในทางที่ผิดเพราะไม่ได้เป็นคุณประโยชน์กับจิตใจเป็นโทษกับจิตใจเพราะว่าเป็นเหมือนยาเสพติดถ้าเงินทองไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ได้ได้ความสุขมา ก, ก็เพียงชั่วข่าวชั่วขณะที่ได้ไป ได้ไปสัมผัสได้ไปดูไปฟังได้ไปเที่ยวไปกินไปดื่มได้ไปซื้อของอะไรต่างๆที่ต้องการแต่พอได้ทำเสร็จแล้วความสุขนั้นก็จะจางหายไปเหมือนกับการเสพยาเสพติด mm hmm. เวลาได้เสพยาเสพติด mm hmm. ก็จะเกิดมีความรู้สึกมีความสุขในขณะที่เสพแต่พอหลังจากที่เสพเสร็จแล้วพอฤิยาที่อยู่ในร่างกาย หมดไปแล้วความสุขนั้นก็หายไปสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความหิวความอยากที่จะเสพยาเสพติดอีก<ม>ก็จะต้องไปซื้อยาเสพติดมาเสพอยู่เรื่อยเสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วถ้าเวลาใดไม่มีเงินทองที่จะไปซื้อยาเสพติดมาเสพเวลานั้นก็จะต้องมีความทุกข์ทรมานใจ จนกระทั่งอาจจะทนไม่ได้ก็อาจจะต้องไปหาเงินโดยวิธีชุดจริตไรลักขโมยบ้างไปช่อโกงบ้างไปหลอกลวงบ้างเพื่อที่จะได้เอาเงินมาซื้อยาเสพติดของใจต่อไป<ม>นี่คือการใช้เงินที่ผิดถ้าเราอยากจะใช้เงินเพื่อให้ใจเกิดความสุข<ม>พระพุทธเจ้าบอกว่าให้เอาไป ทำบุญทำทานกันเอาไปสงเคราะห์ผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือเอาไปตอบแทนบุญคุณกับผู้ที่มีพระคุณเ<ม>ช่นทําบุญกับพ่อกับแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ทำบุญกับสถาบันที่ทําคุณประโยชน์ให้กับโลกเช่นทําบุญกับวัดกับวาทําบุญกับโรงพยาบาลทําบุญกับโรงเรียนเป็นต้น วิธีใช้เงินแบบนี้<ม>เป็นเหมือนกับการเอาเงินไปซื้ออาหารให้กับใจ<ม>เพราะว่าจะทำให้ใจเกิดความสุข<ม>เกิดความอิ่มเอิบใจขึ้นมาแล้วก็จะฝังอยู่ในใจไปอยู<ม>่ไปจนถึงวันตาย<ม>เวลาตายไปบุญที่ได้ทำนี้ก็จะส่งผลต่อส่งให้ได้ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆ ต, ต่อไป นี่คือการใช้เงินใช้ทองที่ถูกวิธีให้เกิดสุขทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และให้มีความสุขหลังจากที่ตายไปแล้วคือให้ได้ไปอยู่ในสุขคติให้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆนั่นเอง mm hmm. นี่แหละคือวิธีการที่จะหาความสุขจากการมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่ไม่เป็นโทษกับจิตใจ mm hmm. เป็นคุณเป็นประโยชน์ ทั้งกับผู้ให้และทั้งผู้กับผู้รับผู้รับก็ได้ข้าของเงินทองไปจุนเจือชีวิตที่อาจจะชาดตกบกพร่องสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อเราได้เมื่อได้รับการสนับสนุนได้รับทานจากผู้ที่มีความปรารถนาดีมีความเมตตาผู้ที่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือก็มีความสุขสุขทางกายได้บรรเทาความทุกยากเดือดร้อน เช่นเวลามีน้ำท่วมกันก็มีการส่งข้าวปลาอาหารสิ่งของใช้ที่จำเป็นเพื่อไปบรรเทาความทุกข์ของทุกยากเลือนร้อนของผู้ที่ประสบกับภัยต่างๆผู้ที่รับของก็ได้รับความสุขทางกายผู้ที่ให้ก็ได้รับความสุขทางใจในสะสมบุญไวเหมือนกับได้เป็นการไปทำวีซ่า ในการทําบุญทําทานนี้เหมือนกับการไปทําวีซ่าขอเข้าขอเข้าประเทศต่อไปเวลาที่เราออกเดินทางจากโลกนี้ไปเราต้องถ้าเราอยากจะไปสวรรค์เราก็ต้องมีวีซ่าเข้าถึงจะให้ไปเข้าสวรรค์ได้ถ้าไม่ได้ทําบุญทําทานเขาก็บอกว่าไปสวรรค์ไม่ได้แล้วถ้าไปทําบาปเขาก็บอกว่าต้องไปใช้บาปก่อนเราจะจับไปเข้าคุกเข้าตาราง ให้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอนุลรกายหรือไปตกนรกแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบาปเลยเราทำแต่บุญอยู่เรื่อยๆเวลาตายไปเราก็จะมีวีซ่าเข้าประเทศเข้าสวรรค์ชั้นต่างๆได้ได้ไปเป็นได้เป็นเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความสุขเหมือนกับการไปเที่ยวต่างประเทศ ช่วงนี้มีวันหยุดหลายวันคนที่มีสตางค์เขาก็ไปซื้อตั๋วเครื่องบินเขาก็ไปทำวีซ่าเขาก็มีเงินติดตัวไปเขาก็ไปเที่ยวต่างประเทศไปอยู่อย่างมีความสุขสวรรค์ก็เป็นเหมือนกับสถานที่ท่องเที่ยวของของดวงวิญญาณของพวกเรานั่นเองถ้าพวกเราทำวีซ่าซื้อตั๋วเครื่องบินไว้ทำหนังสือเดินทาง พอถึงเวลาที่เราจะต้องออกเดินทางเราก็จะสามารถที่จะไปได้อย่างสุขอย่างสบายอย่างที่มีคนมักจะพูดให้พรกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วว่าขอให้ไปสู่สุคติเถิด<ม>การไปสู่สุคติก็คือการไปสูไปอยู่ตามสวรรค์ชั้นต่างๆหกชั้นด้วยกันนี่เรียกว่าสุคต<ม>ทิที่มีความสุขมากกว่ามีความทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยวนี้ที่เราไปเที่ยวกันนี้เรามักจะพบกับความสุขมากกว่าความทุกข์ทันใดสวรรค์ก็เป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวของดวงวิญญาณของพวกเรานั่นเองแต่ถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวสร้างเหตุสร้างปัจจัยตีตั๋วเครื่องบินทําวีซา่าจองที่จองที่นั่งบนเครื่องมีเงินติดตัวไปถึงเวลาเราก็จะไปไม่ได้ เราก็จะอยู่เราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่ได้ไปทำบาปถ้าเราทำบาปเราก็จะต้องไปใช้กรรมในอบายก่อนเมืม่อหมดกรรมหรือหมดบุญที่เราได้ทำแล้วเมื่อเวลาบุญกับบาปนี้มีกำลังเท่ากันคือบาปในใจเรานี้ไม่ได้หมดไปบาปกับบุญนี้มันก็จะแข่งกันคอยดึงใจไปทางใดทางหนึ่ง ถ้าบุญมีมากกว่าบาปบุญก็จะดึงใจให้ไปในสวรรค์อยู่ในสวรรค์ไปเรื่อยๆแต่พอบุญอ่อนกำลังลงพอพอลดลงมาอยู่ในระดับเดียวกับบาปบุญก็ไม่สามารถดึงใจให้อยู่ในสวรรค์ได้แต่บาปก็ไม่สามารถดึงให้ใจไปอบายได้ก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนช่วงที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์กันนี้เป็นช่วงที่ บุญกับบาปในใจของเรานี้มีกําลังเท่ากันบาปดึงใจไปอบายไม่ได้บุญดึงใจให้ไปอยู่ในสวรรค์ต่อไปไม่ได้รเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันแล้วเราก็จะมาเติมบุญเติมบาปกันใหม่หแล้วแต่ว่าเราจะมีนิ ส, สัยไปในทางใดถ้าเรา เคยมีนิสัยในการทำบุญมากกว่าการทำบาปเราก็จะมาทำบุญต่อทำบาปน้อยทำบุญมากกว่าทำบาปถ้าเรามีนิสัยที่ทำบาปมากกว่าทำบุญเวลาเรามาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะกลับเราก็จะมาทำบาปมากกว่าทำบุญต่อไปแต่นิสัยเหล่านี้เราสามารถเปลี่ยนได้วิธีเปลี่ยนก็มีหลายปัจจัยด้วยกันเช่นถ้าเรามาเกิดในครอบครัว ที่ชอบทำบุญมากกว่าชอบทำบาป mm hmm. ครอบครัวก็จะดึงให้เราไปทำบุญมากกว่าไปทำบาปถ้าเราเคยชอบทำบาปมากกว่าทำบุญ mm hmm. เราก็อาจจะเปลี่ยนนิสัยได้โดยอำนาจของครอบครัวที่เราไปเกิด mm hmm. พ่อแม่ของเราก็จะพยายามดึงเราให้ไปทำบุญมากกว่าไปทำบาปเวลาทำบาป ก, ก็พยายามห้ามเราสอนเราว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นโทษเป็นพิษเป็นภยัยต่อจิตใจของเรา mm hmm. ต่อไปถ้าเราเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ดิดามารดามไม่ดือ้อไม่ดือ้อก็สามารถที่จะเปลี่ยนนิสัยจากการที่ชอบทําบาปมากกว่าทําบุญมาเป็นชอบทําบุญมากกว่าทําบาปได้ mm hmm. ในและในทางตรงกันข้ามก็เหมือนกันถ้าเคยชอบทําบุญมากกว่าทําบาปแต่ถ้าไปเกิดในครอบครัวที่ชอบทําบาสมากกว่าทําบุญก็จะถูกครอบครัวนั้นครอบงํา ทำให้เปลี่ยนนิสัยจากการชอบทําบุญมากกว่าทําบาปมาเป็นทําบาปมากกว่าทําบุญก็ได้ยกเว้นว่าถ้าเป็นนิสัยที่เป็นสันดานที่ฝังลึกอยู่ในใจที่ที่แก้ยากถึงแม้จะไปอยู่ในครอบครัวที่เขาทําบุญก็อาจจะไม่ทําตามที่เขาที่เขาพยายามดึงให้ทําก็ได้หรือถ้าไปอยู่กับครอบครัวที่ชอบทําบาปแต่ใจนี้มีสันดานชอบทําบุญ ก็จะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสันดานของของบุคคลนั้นได้เช่นพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้ก็มีได้ทําบุญมาสะสมบุญบรารมีชนิดต่างๆมาอย่างโชคโชนโจนกลายเป็นสันดานมาเกิดอยู่ในราชกุลของกษัตริย์พระราชบิดาก็มีความปรารถนาให้อยู่เป็นกษัตริย์ไม่ต้องการให้ออกบวชแต่ นิสัยของพระเจ้าที่เคยสะสมบุญบรารมีในเรื่องของการทาบุญทาทานในเรื่องของการรักษาศีลปฏิบัติธรรมมาอยู่อย่างยาวนานพอถึงเวลาที่เห็นว่าการอยู่สภาพของผู้ของเรือนี้เท่ากับการอยู่ในคุกในตารางถ้าอยากจะหลุดออกจากคุกตารางแห่งการเมื่อ้ายตายเกิดก็จาเป็นที่จะต้องไปออกบวชกัน พระพุทธเจ้ามืถึงเวลาโดยอาศัยสันดานที่ดีคือผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการปฏิบัติทมศีลสมาธิปัญญาท่านก็จะสละราชสมบัติแล้วก็ออกบวชได้นี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเรามาเกิดมาเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้อย่างที่มีคำพูดว่าไม่ใช่เป็นของบังเอิญมันเป็นเรื่องของนิสัยสันดาน เรื่องของบุญบรารมีเรื่องของบาปกรรมที่เราได้กระทํามาในอดีตชาติถ้าเราได้สะสมบุญบรารมีมามากกว่าบาป<ม>ชีวิตของเราก็จะมาอยู่แบบผู้ที่มีบุญมีบรารมีทําแต่คุณงามความดีต่างๆไม่ค่อไม่ค่อยทําบาปพวกที่มาอยู่มาเกิดน่ามาทําบาปมากกว่าทําบุญ ตรนี้ก็เพราะว่าได้สะสมบาปมากมา ก, กับบุญนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นบุญและบาปนี้เราก็สามารถที่จะที่จะเปลี่ยนได้<ม>โดยเฉพาะถ้าเรามาได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา<ม>ได้มาพบกับพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าถ้าเราเคยเป็นคนที่ชอบทําบาปพอได้ได้ฟังเรื่องของของบาปเรื่องของ ผลที่จะตามมาจากการทำบาปมันก็อาจจะทำให้เราเกิดฮีรีโอตปะขึ้นมาก็ได้โดยความละอายในการกระทำบาปโดยความกลัวที่จะต้องไปรับผลผลของการกระทำบาปก็จะกลับนิสัยมาเปลี่ยนมาเป็นทำความดีก็ได้<ม>เช่นองคุลีมานี้ก็ทำบาปด้วยการไปฆ่าคน<ม>เกือบพันคนนมะืพอถึงคนที่พันคือพระพุทธเจ้า ก็ไม่สามารถฆ่าได้เพราะพระพุทธเจ้ามีอภินญามีฤทธปฏิหารที่ทําให้องคุลิมาไม่สามารถวิ่งตามพระพุทธเจ้าทันจนกระทั่งอ ง, องคุลิมาก็ต้องตะโกนไปบอกพระเจ้าว่าท่านหยุดเถิดข้าพเจ้าวิ่งตามท่านไม่ทันแล้วพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าเราหยุดแล้วเธอต่างหากที่ยังไม่หยุดเราหยุดจากการฆ่าฟันการจากการกระทําบาป ด, ด้วยอํานาจของ กิเลสความโลภความโกรธความหลงผู้ที่เราฆ่าก็คือความโลภความโกรธความหลง mm hmm. เราถึงได้บรรลุได้เป็นศาสดาพ mm hmm. อพระเจ้าจพูดอย่างนี้องคุลิมานก็เปลี่ยนใจทันที mm hmm. เห็นโทษของการกระทำบาปของตนล้วก็หันมากลับมาฆากิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงที่มีในใจจนได้บรรลุเป็นพระอารหรันต mm ์ hmm. ถ้าได้เป็นพระอรหันแล้วก็จะไม่กลับมาเกิดอีกพบหน้าชาติหน้าจะไม่มีการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปตายไปก็ไม่ได้ไปเป็นเทวดาไม่ได้ไปเกิดนาบายเป็นสัตว์เลราา้ยงลูฉันเป็นเปรดเป็นอะไรทั้งสิน้น <c oughs> เพราะว่าจิตของพระอรหันนี้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดแล้วไม่มีการไปเกิดอีกต่อไปแต่ถ้ายังมีร่างกายอยู่ก็ยังต้ออาจจะต้องรับวิบากของ ของกรรมที่ได้ทําไว้เช่นองคุลิมานก็เวลาไปตามฐานที่ที่คนเขาจําหน้าได้ว่าเป็นมหาโจรเขาก็พยายามที่จะไล่ไล่ทําร้ายร่างกายของอขององคุลิมานได้หรือเช่นพระโมคคัลลานะก็เคยทํำบาปในอดีตชาติมาก็ต้องถึงกับเขาฆ่าต้องถูกผู้อื่เขาฆ่าตายได้ถ้าตราดใดมียังมีร่างกายอยู่ ผลผลของกรรผลของบาป ก, ก็ยังสามารถส่งผลได้อยู่แต่จะส่งผลได้เพียงที่ร่างกายเท่านั้นเพราะว่าใจของท่านนี้ไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายร่างกายจะไวรับผลอะไรก็ตามถ้าจิตของเป็นพระจิตของพาอาาระอรหันแล้วจิตพาาาระอรหันนี้จะไม่หวั่นไหวกับความเป็นความตายกับวิบากรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของตนและพร้อมที่จะรับ พอรู้ว่ากรรมนี้เป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นหนีวันนี้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะตามมาวิธีดีที่ดีที่สุดก็ปล่อยให้เขาจัดการไปให้กรรมมันแสดงผลไปเมื่อมันแสดงผลแล้วมันก็หมดไป <S <S แต่ถ้าไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปกรรมก็ไม่สามารถที่จะส่งผลได้อีกต่อไป <S <S 2> <S 2> นี่คือเรื่องของนิสัยของการทำบุญของการทาทานของการทาบาป ว่ามันมีส่งผลต่อการมาเกิดของเราในแต่ละภพแต่ละชาติถ้าเราอยากจะอยากจะเกิดดีเวลาตายไปอยากจะไปสู่สุงติก็ให้ทำบุญมากกว่าการทำบาปเวลากลับมาจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีบุญวาสนา เป็นมนุษย์ที่มีรูปห่าหน้าตาผิวพรรณที่ผ่องใสสวยงามมีอายุยืนยาวนานมีสุขภาพแข็งแรงมีอาการครบส2มสองมีความมั่งคั่งในทรัพย์สินสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆอันนี้เป็นผลที่ยังติดข้างอยู่ในใจของผู้ที่มีบุญอยู่พอได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยลาภยศเสริญสุข ใ น, ในทางตรงกันข้ามผู้ที่มาเกิดจากกรบายมาเกิดจากการเป็นเรนรชาญมานี้ผู้ที่ยังพ้นมาจากกรบายพ้นมาจากนรกนี้เวลามาเกิดก็จะมาเกิดแบบอาภัพวาสนามีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณไม่สวยงามไม่ผ่องใสหน้าตาไม่สวยงามอาการไม่ครบสามสิบสอง มีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอายุสั้น ม, มีความทุกข์ยากลำบากทางด้านทรัพย์สินเงินทอง<ม>อาจจะมาเกิดเป็นขอทานเป็นต้น<ม>อันนี้แหละเป็นวิบากเป็นผลของบุญของบาปที่ได้ทำมาในอดีตในแต่อดี ต, ตชาติไม่ใช่เป็นเรื่องของบังเองิญ<ม>ดังนั้นเราสามารถกำหนดชะตาชีวิตของเราในอนาคตได้ ถ้าเราอยากให้อนาคตของเรานี้ดีขึ้นไปก็ให้เราทำบุญกันให้มากๆทำแล้วก็พยายามรักษาศีลอย่าทำบาปแล้วถ้าเรายังต้องเวียนร่ายตายเกิดอยู่เราก็จะเวียนร่ายตายเกิดในในส่วนที่เรียกว่าสุขคติคือตายไปก็ไปอยู่บนสวรรค์พอลงมาจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความมั่งคั่ง มีความนั่รวยมีวาสนามีบามีล้วก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่แบบนี้จะมีนิสัยเดิมติดมานิสัยที่ชอบทำบุญทำทานมากกว่าทำบาปก็จะติดมาแล้วก็จะทำต่อไปเรื่อยๆยกเว้นว่าถ้าไปเกิดในครอบครัวที่เขาชอบทำบาปแล้วสามารถโน้มน้าวเปลี่ยนใจให้เราไปทำตามเขาได้อันนี้ก็อาจจะทำให้เราให้ผู้ที่ ผู้ที่ได้ทําบุญมากกว่าทําบาปอาจจะมาทําบาปมากกว่าทําบุญก็ได้แต่ถ้าไม่มีอะไรมาโน้มนะ้วจิตใจก็จะทําบุญมากกว่าทําบาปไปจะเวียนว่ายตายเกิดในอบายไปเรื่อยๆในในสุขคติไปเรื่อยๆในทางตรงกันข้ามถ้าทําบาปมากกว่าทําบุญก็จะไปเวลาตายไปก็ไปเกิดในอบายออกจากอบายมามาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเป็นมนุษย์ที่ทุกข์ยากลําบาก อาภัพวาสนาแล้วก็มาทำบาปต่อไปตามนิสัยเดิมอย่างนั้นตอนนี้เราก็ควรที่จะมาตรวจตาดูนิสัยของเราดูว่าเรามีนิสัยอย่างไรบ้างถ้าเรามีนิสัยชอบทำบุญก็พยายามทำบุญเพิ่มให้มากขึ้นพยายามเสริมการทำบุญให้มันมีความมั่นคงพยายามฝึกนิสัยให้มีความแน่วแน่ต่อการทำบุญ เวลามีโอกาสมีเงินมีทองแทนที่จะเอาเงินทองไปใช้กับสิ่งที่เป็นยาเสพติดของใจคือไปเสพรูปเสียงกิริยลดผลทพัชชนิดต่างๆก็เอามาทำบุญทาทานแล้วจะทำให้ใจเหล่านี้มีมีพลังที่จะทำบุญทาทานเพิ่มมากขึ้นไปยิ่งทำมากขึ้นเท่าไหร่มันก็มีกำลังที่อยากจะทำเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เพราะทุกครั้งที่เวลาทาบุญแล้ว จะได้รับผลของบุญคือความสุขใจความอิ่นใจความสบายใจจะไม่หิวโหยกับการที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะในทางตรงกันข้ามถ้าเอาเงินไปใช้กับการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดทพะไม่เอามาทําบุญการเสพยาเสพติดของใจมันก็จะทําทให้ใจหิวไปเรื่อยเสพปับ๊บมีความสุขเดียวเดียวไปเที่ยวกลับมาพอกลับมาจากการไปเที่ยว ความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปความหิวความอยากไปเที่ยวก็จะโผล่ขึ้นมาอีกมันก็จะคอยดึงให้ใจต้องไปเที่ยวหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดธพ่าอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้ข้าวของเงินทรัพย์สินเงินทองที่มีจะค่อ ย, ล, อยล้อยเหลือไปเรื่อยๆเงินทองที่จะมาแบ่งเอามาทำบุญก็แทบจะไม่มีแล้วเวลาก็จะเอามาทำบุญก็จะไม่ค่อยมี เาจะต้องเอาเวลาไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้เอาเงินมาซื้อซื้อยาเสพติดให้กับใจเสพอยู่เรื่อยๆดังนั้นพยายามฝืนใจถ้าเรายังมีความชอบใช้เงินซื้อความสุขชนิดต่างๆซื้อเงินจากการไปเที่ยวซื้อเงินจากการซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเอาใช้เงินซื้อของที่ไม่จำเป็นของฟุ่มเฟือยต่างๆของที่มีราคาแพง การใช้เงินแบบนี้เป็นโทษกับจิตใจเพราะเป็นเหมือนกับการไปซื้อยาเสพติดมาเสกให้เปลี่ยนวิธีการใช้เงินเพื่อให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับจิตใจด้วยการเอาไปทำบุญทาทานการทาบุญทาทานนี้เราก็สามารถทำกับบุคคลใดก็ได้คือการทำบุญนี้มันมีอันนีสองอยู่สองส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือบุญที่เกิดจากการเสียสละเข้าของเงินทองของเราการบริจาค อันนี้ไม่ว่าจะบริจาคให้กับใครก็ตามเราก็จะได้ความสุขใจอิ่มใจให้กับพระหรือให้กับคารวะผู้คลองเรือนก็<ม>ได้ความสุขใจอิ่มใจเหมือนกันได้บุญเหมือนกันได้ไปสวรรค์เหมือนกันแต่ผลที่เราจะได้รับอีกอีกอย่างหนึ่งจากการทำบุญของเราคือแล้วเราจะได้รับสิ่งที่ตอบแทนจากผู้ที่เราไปทำบุญด้วยถ้าเราไปทาบุญกับผู้ที่มีธรรมะ ท่านก็จะสอนธรรมะให้กับเราเราก็จะได้ธรรมะเป็นผลตอบแทนส่วนที่สองแต่ถ้าเราไปทำบุญกับผู้ที่เขาไม่มีธรรมะเขาก็จะไม่มีธรรมะให้กับเราเราก็จะได้บุญเพียงส่วนแรกคือบุญที่เกิดจากการให้จากการเสียสละแบ่งปันดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านต้องการอะไรถ้าต้องการสองอย่างต้องการนนต้องการความสุขใจที่เกิดจากการให้ เราต้องการได้ธรรมะจากผู้ที่เราไปทำบุญด้วยเราก็ต้องไปเสาะงหาผู้ที่มีธรรม ะ, ะเพราะเมื่อเราได้ทำบุญกับผู้ที่มีธรรมะเราก็จะได้มีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมจากท่าน อ, อันนี้มีผลต่างกันเพราะว่าผู้ที่มีธรรมะนี้ก็มีหลายระดับด้วยกันเขาเปรียบเทียบว่าทำบุญกับผู้ที่เป็นปุถุชนมีธรรมะระดับปุถุชนก็ได้สิบเท่า ทำบุญกับพระ อ, อริยบุคคลก็ได้ร้อยเท่าขั้นที่หนึ่งพระโสดาบันขั้นที่ 2, อสองพระสกิดาคามีก็ได้ 1, พันเท่าพระอนาคามีก็ได้หมื่นเท่าพระ อ, อานันต์ก็ได้แสนเท่าพระปเจกาพุทธเจ้าก็ได้ล้านเท่าพระ อ, อานันต์ตัศมาสามพุทธเจ้าก็ได้พันล้านเท่าเป็นต้นเพราะว่าบุคคลต่างๆเหล่านี้มีธรรมะที่จะให้กับเรามากน้อยต่างกันไปนั่นเอง อันนี้เป็นเรื่องของการรับของจากผู้ที่เราไปทำบุญด้วยถ้าเราต้องการธรรมะเราก็ต้องเลือกหาพระหรือหาผู้ที่มีธรรมะสอนเราไปทำบุญเสร็จเราก็ไม่กลับบ้านเราก็ต้องรอรอฟังเทศฟังธรรมหรือรอสนทนาธรรมมีความสงสัยในเรื่องธรรมะเรื่องใดก็สามารถถามได้เมื่อถามแล้วเราก็จะได้รับคำตอบเราสามารถเอาคาตอบนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ กับจิตใจของเราได้ต่อไปถ้าทําบุญแบบนี้ก็ต้องเลือกบุคคลที่เราจะทําด้วยถ้าเราต้องการธรรมะก็ต้องไปหาบุคคลที่มีธรรมะสอนเราถ้าเราต้องการความรู้ทางโลกเราก็ไปทําบุญกับโรงเรียนทําบุญกับครูบาอาจารย์ที่สอนสอนหนังสือตามโรงเรียนต่างๆเราก็จะได้เรียนรู้วิชาทางโลกจากท่านถ้าเราต้องการรักษาพยาบาล มีโรงพยาบาลมาคอยรักษาเราเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไปทำบุญกับโรงพยาบาลอันนี้คืออา น, นิสงส์ที่เราจะได้รับจากบุคคลที่เราไปทำบุญด้วยไปทำบุญทาทานด้วยแต่ผลนั้นแรกคืออา น, นิสงส์ที่เกิดจากการให้คือทําใจให้มีความสุขมีความอิ่มนี้เหมือนกันหมดไม่ว่าจะทำกับใครก็ตามแล้วจะทาให้มี ส่งจิตใจของเราเวลาที่ตายไปได้ไปเกิดในสุขติได้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆนั่นเองอั น, นี้คือขั้นแรกของการทําบุญที่พระเจ้าทรงสอนให้ศรัทธาญาติโยมชาวพุทธเราหมันทำกันอยู่เรื่อยๆทําให้นเป็เป็นนิสัยแล้วก็สอนให้เราเพิ่มถ้าเราอยากจะได้บุญที่มีความมีผลมากกว่านี้มีสุขมากกว่านี้ ก็เราต้องมาทำบุญขั้นที่สองขั้นที่สูงกว่าการทำบุญทำทานนั่นก็คือการภาวนาการปฏิบัติจิตภาวนาคือเป็นการซักพอกจิตใจชำนะจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะว่าจิตใจของเราที่ไม่มีความสุขกันก็เพราะว่าจิตใจเราถูกกิเลสตัณหาเครื่องเครื่องเศร้าหมองครอบงำจิตใจทำให้จิตใจเราเศร้าหมองอยู่เรื่อย ทำให้จิตใจเราทุกข์เราเคเรเคยียดเราวิตกเรากังวลอยู่เรื่อยๆอันนี้แม้แต่การรักษาศีลหรือแม้แต่การทําบุญทําทานก็ไม่สามารถที่จะกําจัดได้สิ่งที่จะกําจัดความเศร้าหมองต่างๆกําจัดกิเลสตัณหาตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างความเครียดต่างๆให้กับใจนี้ต้องต้องใช้การปฏิบัติจิตสภาวนานถึงจะสามารถที่จะ กำจัดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปเพื่อทำให้ใจสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความทุกข์ความเพียรต่างๆและทำให้ใจได้สิ้นสุดยุติการเวียนว่ายตายเกิดด้วยเพราะสิ่งที่ทำให้ใจของพวกเราทุกคนมาเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆนี้ก็เกิดจากอนานาจของกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชานี่เองซึ่งถ้าต้องการที่จะกาจัดก็ต้อง กำจัดด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาวการปฏิบัติจิตตภาวนานี้ก็มีอยู่สอ ง, สองขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกคือการทำจิตใจให้สงบระงับกิเลสตัณหาไว้ชั่วคราวก่อนด้วยการเจริญสติอย่างอย่างต่อเนื่องจิตเราคิดอยู่เรื่อยๆถ้าเรามีการเจริญสติเราก็จะหยุดความคิดพอหยุดความคิดได้จิตสงบ กิเลสตัณหาที่ใช้ความคิดเป็นเครื่องมือก็สงบตัวลงพอจิตสงบลงกิเลสตัณหาสงบสงบลงจิตก็สะอาดลอยสดขึ้นมาชั่วคราวแต่อยู่ได้ไม่นานเพราะอำนาจของสตินี้มีกำลังไม่พอที่จะทำให้จิตสงบได้ตลอดเวลาก็อยู่ได้ในสมาธิได้สักระยะหนึ่งแล้วก็ต้องถอนออกมาพอถอนออกมาจิตก็จะเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้กิเลสตัณหา ที่ใช้ความคิดเป็นเครื่องมือก็จะออกมาสแสดงตัวต่อมาสร้างความเครยียดสร้างความทุกข์สร้างความวิตกกังวลต่างๆถ้าต้องการที่จะกาจัดกิเลสตัณหาเวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องใช้ขั้นที่สองคือวิปัสสนาภาวนาคือการใช้ปัญญามาระ ง, งับหยุดความโลภความโกรธความหลงด้วยการพิจารณาตามที่พระาจารทรงสอนว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจาก ต้นเหตุที่ทำให้ทุกข์ใจก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆถ้าอยากจะให้ความโลภอยากให้ความทุกข์ใจความเพียดต่างๆหายไปก็ต้องหยุดความหยุดความอยากต่างๆและการจะหยุดความอยากต่างๆได้ก็ต้องต้องเห็นว่าสิ่งที่ความอยากต้องการนี้มั น, เ ป, นเป็นทุกข์ ทุกว่าเป็นของไม่เที่ยงทุกว่ามันเป็นของที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันเที่ยงให้มันให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวได้คือต้องเห็นสิ่งที่กิเลสตันหาอยากได้นั้นเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาถ้าเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาแล้วก็จะไม่กล้าอยากไม่อยากจะอยากเพราะรู้ว่าอยากแล้วจะทำให้ใจเครียดใจทุกนั่นเองอันนี้เป็นขั้นที่สองของการบาเพ็ญกิจตภาวนาเป็นขั้นที่จะสามารถ ชำระจิตใจให้สะอ า, าดลอยสุดได้อย่างถาวรโดยที่ไม่ต้องโดยที่จะโดยที่มันจะไม่กลับฟื้นคืนมาอีกแต่ขั้นของสติขั้นของสมถะภาวนาคือของขั้นของการทําจิตให้สงบเป็นสมาธินี้เป็นการทําจิตให้สะอาดชั่วคราวเว <S S 1> ลาจิตสงบกิเลสตัณหาก็หยุดทํางานแต่ไม่ตา ย, ยเป็นเหมือนเห็นทับหญ้าเวลาเข้าสมาธินี้เหมือนกับเอาเห็นไปทับหญ้า เวลาเห็นทัพยา่านี้ย่าจะไม่สามารถงอ ก, ง, อกงามขึ้นมาได้แต่เวลาเอาเหินออกจากญ่าไปทิ้งไว้สักระยะหนึ่งพอไ ด, ได้น้ำได้แดดเดี๋ยวญ่าก็งอกงอ ก, งอกเงยขึ้นมาใหม่เพราะว่ารากของญ้าไม่ได้ถูกถอดถอนนั่นเองแต่วิปัสสนานี้เป็นการถอดถอนรากเหง้าของกิเลสตัณหาก็คือโมหะอาวิชชาที่ไม่เห็นอริจังทุกขังอนัตตา น, นั่นเองที่ไม่เห็นอริยาาสัจสี สอนให้เห็นอริยสัจสี่สอนให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความอยากต่างๆก็จะถูกถอนถอนอกไปหมดไปจากใจนี่คือขั้นที่สองของการทําบุญหลังจากที่เรารักษาศี่ห้าได้ทําบุญทําทานได้เป็นปกติแล้ววันพระอย่างวันนี้ท่านก็สอนให้เรามาปฏิบัติจิตภาวนากันการจะปฏิบัติจิตภาวนาได้ ได้ผลดีได้ง่ายก็ต้องมีเครื่องมือสนับสนุนเครื่องมือที่จะสนับสนุนการบําเพ็ญจิตตภาวนาให้เกิดผลได้ง่ายได้ได้เร็วก็คือการการสํารวมอินทรีย์คือการปฏิบัติเนคขมมะคือต้องถือศีล8กันนั่นเองต้องเพิ่มศีลอีกสามข้อจากศี 5, 5, ลห้าเคยศีลห้าเคยรักษาศีลห้าในวันธรรมดาพอถึงวันพระก็ให้มาเปลี่ยนเป็นการรักษาศีลแปด แล้วก็ศีลข้อสาที่เป็นกาเมก็เปลี่ยนเป็นอั บ, บ ร, รมัจริยากาเมนี้อนุ ญ, ญาตให้ร่วมเพศกับผู้ที่เป็นคู่ครองของเราได้แต่ถ้ามาถือศีลแกก็จะถืออั บ, บ ร, รัมมะจริยาก็คือจะไม่ร่วมเพศกับใครเลย mm. ต้องการระ ง, งับกิจกรรมทางการอารมณ์คือทางทางตาหูจมูกมนไกาย ไม่เสพรูปเสียงกิจนรสพดทพะเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่ไปใช้ในการเสพกอามอลมนี่มาให้กับการเจริญสติเจริญสมถะ ภ, ภาวนานั่นเองนี่คือศินข้อสามของศิลข้อแปดแล้วก็ศินเพิ่มเพิ่มศินข้อหกขึ้นมาก็ไม่ให้รับประทานอาหารตามความอยากให้รับประทานอาหารตามความต้องการของร่างกายซึ่งความต้องการของร่างกายรับประทานวันละหนึ่งครั้งก็พอ เดีวถ้าจะสองท่านก็ไม่ให้เกินเที่ยงวันไปแล้วหลังจากเที่ยงวันไปแล้วนี่ไม่ควรที่จะรับประทานอาหารอีกต่อไปรับประทานอาหารก็ถือว่าเป็นการไปเสพกามเสพ ร, รูปเสียงกิ่นรสของอาหารจะทําให้เสียเวลาจะให้ไม่มีเวลาให้กับการไปเจริญสตินั่งสมาธินั่นเองเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากจะมีเวลาไปนั่งสมาธิก็เลือกไม่กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้าเรามี ความตั้งใจไม่กินอาหารใจเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลากับการที่จะคอยไปหาอาหารมารับประทานอยู่เรื่อยๆ<ม>เราก็จะได้มีเวลามาเจริญสติมานั่งสมาธิได้<ม>แล้วการรับประทานอาหารมากเกินไปก็เป็นโทษกับการเจริญสตินั่งสมาธิเพราะจะมีการกิดอาการง่วงเหงาเหาหนอนได้ง่าย ม, มีความเปียดทาน แวลรับประทานอาหารอิ่มๆแล้วนี่อยากจะนั่งอยากจะนอนมากกว่าอยากที่จะไปเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิก็นั่งสงบสงบนั่งหลับนี่คือวิธีแก้นิวรคือความง่วงเหงาเหานอนด้วยการรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารคือไม่รับประทานอาหารมากจนเกินไปแล้วก็จะได้ไม่ง่วงนอนแล้วก็จะได้มีเวลาให้กับการมาเจริญสตินั่งสมาธิ ส่วนเส้นข้อ7ก็คือให้เราไม่ไปหาความสุขทางทางตาหูจมูกนิ้วกายด้วยการดูโมหระรสบันเทิงต่างๆด้วยการเสริมสวยความงามของร่างกายมันเป็นความสุขที่เป็นแบบความสุขชั่วคราวเป็นความสุขแบบยาเสพติดเสพแล้วก็จะติดแล้วก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วแล้วก็จะทําให้เราไม่มีเวลามาให้กับการเจริญสติมาเจริญสมถะภาวนาทำํำ ทำทำจิตให้สงบด้วยการนั่งสมาธิอันนี้ข้ อ, อนี้ก็เราก็ต้องยับละเว้น mm. ไม่หาความสุขจากมห oh ัศลศพบรนเทิงต่างๆไม่หาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอภรรีิวิจิตทิศดารด้วยเครื่องหอมต่างๆด้วยเครื่อ ง, งน้ำน้ำําหอมน้ํามันหรื อ, อ <S <S เครื่องสามางต่างๆเหล่านี้เป็นกา ร, กรทาที่ไป สนับสนุนทางการมลลมในการเสริมความหิวความอยากทางการมลลมให้มีอยู่เรื่อยๆที่จะมาสร้างความไม่สงบให้แก่ใจ<ม>ถ้าต้องการความสงบจึงจำเป็นที่จะต้องละการเสพการมลลมต่างๆ<ม>แล้วก็สิ่ข้อ8ก็ไม่ให้นอนมากเกินไปนอนตามความต้องการของร่างกายก็พอปกติร่างกายของเรานี้คืนนึงได้พักผ่อนสีห้าชั่วโมงก็พอแล้ว ถ้าเรานอนบนที่บนเตียงที่สุขที่สบายมีฟูกหนาๆนะเวลาที่ร่างกายพักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาใจจะไม่อยากจะลุกใจยังติดความสุขในการนอนอยู่เพราะมันสบายก็อาจจะนอนต่ออีกสามสี่ชั่วโมงด้วยกันทําให้เสียเวลาอมีค่าของการปฏิบัติธรรมไปถ้าเรานอนบนที่ที่นอนที่แข็งที่ไม่สุขไม่สบายเวลาร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อ ก็จะรีบลุกขึ้นมานั่งสมาธิเดินจงกรมต่อไดอ้นนี้คือเครื่องมือสนับสนุนในการที่เราจะมาบาเพ็ญจิตตภาวนาทำจิตใจให้สงบต้องมีการสังสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ามีการปฏิบัติเนคข ม, มะเนคข ม, มะก็คือการละเว้นการหาความสุขจากการการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆการออกจากกา ม, มสุขแล้วก็นอกจาก ถือศีลศีลแปดแล้วปัจจัยที่สองที่จะช่วยสนับสนุนในการบำเพ็ญจิตตาภาวนา ค, คือสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกถ้าเราปฏิบัติทําในสถานที่ที่พลุกพ่านด้วยคนด้วยรูปสิ่งกิ่นรดต่างๆสิ่งเหล่านี้มันจะมารบกวนจิตใจมันจะเป็นนิวรณ์เป็นการมาฉันทะพอได้สัมผัสได้ยินเสียงได้เห็นรูป ก, ก็จะเกิดการ ม, มารมขึ้นมาไดา้เกิดการ ม, มาตันหาขึ้นมาไดา้เกิดการมฉันทะ ถ้ามีการมารมแล้วจิตใจก็จะไม่มีสติอยู่กับการเจริญสติ <'re> ก็จะไปคิดถึงเรื่องความความสุขทางการมารมแทนก็จะทําให้การภาวนานี่ล้มเหลวไม่สามารถภาวนาไปได้ยังควรไปไปหาสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกตามวัดปฏิบัติต่างๆวัดป่าวัดเขาหรือตามสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆที่สงบสงัดให้ไปไปหาที่สงบสงัดที่ไม่มีรูปเสียงกขีดล้นมายั่วยวนกุญใจ เราจะทำให้การเจริญสตินั่งสมาธินี้สงบได้ง่ายแล้วถ้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีผู้ปฏิบัติหลายคนด้วยกันก็อย่าไปคุกคีกันให้แยกกันอยู่อย่าไปจับกลุ่มสนทนาทำกันคุยกันเพราะเวลาคุยกันก็จะทำให้จิตฟุง้งซ่านเพราะต้องใช้ความคิดในเรื่องกองการคุยกันถ้าเป้าหมายของการปฏิบัติัือหยุดความคิด แต่ถ้าเราไปคุยกันมันก็จะไม่หยุดความคิดมันกลับไปกระตุ้นความคิดให้คิดมากขึ้นไปเรื่อยๆพอถึงเวลาที่จะไปนั่งสมาธิความคิดต่างๆมันก็จะฟุ่งอยู่ในใจไม่สามารถทําให้ความคิดเหล่านั้นหายไปได้แต่ถ้าอยู่คนเดียวไม่พูดคุยกับใครก็จะมีเวลาเดินจงกรมเจริญสติทุกิริยาบทคอยควบคุมความคิดด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหรือด้วยด้วยการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกาย ดึงใจให้อยู่กับการเคลื่อนไหวหรืออยู่กับพุโทโธถ้ามีการดึงใจให้มีให้อยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งใจก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องราวต่างๆได้ความคิดก็จะน้อยลงไปเวลามานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายแต่ถ้าไม่ควบคุมจิตไม่ควบคุมความคิดเลยปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยทั้งวันตลอดวันพอเวลามานั่งสมาธิความคิดเหล่านั้นมันก็จะฟุ้งอยู่ในใจ นั่งสมาธิแล้วก็ไม่เกิดผลนั่งได้ไม่นานก็ทนนั่งต่อไปไม่ได้เพราะเกิดความเครียดต่างๆขึ้นมา น, นี่นี่คือปัจจัยที่เราจะต้องมีเสริมในการที่จะทำให้การบาเพ็ญจิตตะภาวนาของเรานี้ได้ผลดีก็คือต้องถือศีลแปดชำรวมินย์ปฏิบัติเนคขมมะข้อที่สองก็ให้อยู่ปีกวิเวกอยู่ตามสารที่สงบสงัดต่างๆข้อที่สามก็ ไม่คุกคีกันถ้าเราไปอยู่ในสถานที่ปฏิบัติที่อาจจะมีผู้ปฏิบัติอยู่ร่วมกันด้วยคนด้วยหลายคนด้วยกันก็แยกกันอยู่นอกจากว่าต้องมีเวลามาทำภารกิจพร้อมกันเช่นมาช่วยกันทำความสะอาดปัดกวาดสถานที่หรือมารับประทานอาหารก็ให้มีสติคอยควบคุมใจอย่าไปคุยอย่าไปสนทนากันต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนไป เหมือนกับไม่เหมือนกับไม่รู้จักกันเหมือนกับเกลียดกันคนสมัยก่อนเห็นพระปฏิบัติเวลามาทํากิจวัตรทาไมไม่พูดไม่คุยกันไม่ทักทายกันก็ไปถามว่าท่านโกรธกันได้ยังไงท่านก็ตอบว่าไม่ได้โกรธกันหรอกมันเป็นวิธีของการบําเพ็ญสติเจริญสติเพื่อควบคุมความคิดพระปฏิบัตินี้จะไม่ไม่ไม่ให้คิดไม่ให้คุยกันเวลามาทํากิจก็ให้มีสติอยู่ว่างานที่กําลังทําเพียงเดีว เพียงอย่างเดียวเมื่อทำจิตเสร็จแล้วก็แยกย้ายกลับไปอยู่ที่พักของตนก็จะได้ไปเจริญสติไปนั่งสมาธิต่อแล้วประการสุดท้ายที่จะช่วยสนับสนุนการบําเพ็ญจิตตภาวนาให้เกิดผลขึ้นมาก็คือต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับตั้งแต่พอวันพระสมมติว่าถ้าเรามาปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วถือวันพระนี่เป็นวันปฏิบัติธรรมของเรา พอตั้งแต่เตื่นขึ้นมานี้เราก็ต้องเจริญสติทันทีพอลืมตาขึ้นมาก็ต้องนึกถึงพุโทโธพุโทโธอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปคิดถึงอดีตเมื่อาวานนี้ที่ผ่านมาแล้วอย่าไปคิดถึงพรุ่งนี้ที่ยังมาไม่ถึงให้อยู่อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปนี่คือการเจริญสติด้วยการใช้กรรมฐานพุโทโธ เ, เป็นอารมณ์ถ้าเราอยากจะใช้กรรมฐานอย่างอื่นคือใช้ร่างกายเป็นอารมณ์แทนก็ได้ พอเราลืมตาขึ้นมาแล้วก็ดูสังเกตดูที่ร่างกายของเราตอนนี้อยู่ในเอเรียบทใดกําลังอยู่ในท่านอนก็รู้ว่ากําลังนอนกําลังลุกขึ้นมาก็รู้ว่ากําลังลุกขึ้นมาเวลานั่งก็รู้ว่านั่งเวลายืนก็รู้ว่ายืนเวลาเดินก็รู้ว่าว่าเดินให้เฝ้าดูเอเรียบทของร่างกายตลอดเวลาไม่ให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้ น, เ ร, น, นเรื่องนี้เลยให้อยู่กับร่างกายไปทั้งวันอันนี้คือการเจริญสติ ถ้าเราสามารถเจริญสติอย่างต่อเนื่องได้พอเวลาเรามานั่งสมาธิเราก็จะมีสติที่มีกําลังที่จะทําให้จิตสงบนิ่งเข้าสู่สมาธิได้อย่างถ้าเราไม่เจริญสติพอลืมตาขึ้นมาไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะยาวไปคิดไปเรื่อยๆพอถึงเวลามานั่งสมาธิมันก็จะไม่ยอมหยุดคิดมันก็จะคิดต่อไปเรื่อยๆคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ไปเรื่อยๆทั้งวัน การนั่งสมาธิก็จะไม่เกิดผลขึ้นมาผลที่ผลที่ไม่เกิดเพราะว่าไม่มีสติคนเราคิดว่าเวลาจะนั่งสมาธิก็มานั่งได้เลยโดยที่ไม่มีการเตรียมตัวมาก่อนอันนี้เป็นความเข้าใจผิดการที่จะนั่งสมาธิให้เกิดผลได้นี่ต้องมีการเตรียมตัวมาหลายอย่าง uet. เช่นต้องมาถือศีลแปลดต้องไปหาสถานที่สงบสงดัดม่เวกต้องไม่คุกคีกันไม่คุยกันไม่สังคมกับใคร แล้วก็ต้องมีสติเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้ามีเหตุปัจจัยอย่างนี้แล้วเวลามานั่งสมาธินี้บางทีนั่งแค่ห้านาทีจิตก็รวมเป็นสมาธิได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก่อนที่เราจะมาฝึกนั่งสมาธิกันเพราะคนส่วนใหญ่นี้ไม่รู้วิธีนั่งสมาธิอย่างถูกต้องว่าจะต้องเตรียมตัวอะไรมาก่อนคิดว่าพอมานั่งก็ให้พุทโทไปเลยพอพุโทโธตอนที่มานั่งนี้มันไม่มีทางที่จะสงบได้ พอใจมันคิดมาทั้งวันตลอดเวลาก่อนที่จะมานั่งพอมานั่งเฉยๆจะใช้พุโทโธรับเดียวให้มันหยุดมันหยุดไม่ได้แล้วพุโทโธก็ไม่มีกำลังด้วยอยู่กับพุโทโธได้เพียงสองสามคำเดี๋ยวก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อแล้ว mm. าการนั่งสมาธิก็ไม่เกิดผลเพราะนั่งแบบนี้บ่อยๆไม่เกิดผลก็เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายก็เลยยอมแพ้ไม่นั่งต่อไป mm. อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ถ้าเราอยากจะนั่งสมาธิให้เกิดผลเร า, าจะเจริญสมถะภาวนาให้จิตสงบแล้วจเจริญวิปั ส, สนาภาวนาเพื่อให้จิตบรยสุดปราศจากบิเลตตหาโมหะอวิชชาเราก็ต้องมีเหตุปัจจัยที่สนับสนุนคือมีการถือศีลแต่มีการมีการปีกวิเวกมไม่คุก ค, คีกันมีการจเจริญสติอย่างต่อเนื่อง ทำอย่างนี้แล้วการบําเพ็ญจิตตภาวนาก็จะทําให้เกิดผลขึ้นมาทําให้จิตบริสุดธิ์ผุดพองปราศจากกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาเมื่อไม่มีกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาหลงเหลืออยู่ในใจแล้วจิตก็จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจิตก็จะไม่เกิดอีกต่อไปจิตที่ไม่เกิดก็เรียกว่านิพพานนี่เป็นจิตบริสุทธิ์จิตที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอกต่อไป นี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้พวกเราชาวพุทธมาบำเพ็ญกันในวันพระทุกวันพระอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรจะมาบำเพ็ญทานศีลภาวนากันสักครั้งหนึ่งแล้วถ้าเราบำเพ็ญไปแล้วได้ผลดีเราก็อยากจะเพิ่มการปฏิบัติให้มีมากขึ้นไปตามลําดับนะโดยที่ไม่ต้องบังคับแต่ถ้าในเบื้องต้นต้องบังคับก่อนต้องบังคับให้มีการปฏิบัติอย่างน้อยวันพระอาทิตย์ละหนึ่งครั้งต้องมีวันพระ สมัยนี้วันพระของเราอาจจะวันหยุดของเราอาจจะไม่ตรงกับวันพระเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนวันพระมาให้ตรงกับวันหยุดเป็นพอดีอาทิตย์นี้เป็นจังหวะที่วันพระตรงกับวันหยุดของเราคือวันอาทิตย์แต่ต่อไปเดี๋ยววันพระก็จะเลื่อนไปเป็นวันจันทร์เลื่อนไปเป็นวันอังคารถ้าเราถือวันเหล่านี้เป็นวันพระเราก็จะไม่มีเวลาปฏิบัติเพราะวันจันทร์วันอังคารเราก็ต้องไปทํางานกันนั้นเราต้องเปลี่ยนวันพระมาให้มันทันกับเหตุการณ์ทันกับ ภาวะของเราเมื่อเราหยุดวันไหนเราก็ถือวันนั้นเป็นวันพระของเราเ mm. ช่นเราเมว่าหยุดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เราก็ถือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี้เป็นวันพระของเราเป็นวันที่เราจะมาบําเพ็ญ mm. เจริญสติสมาธินั่งจเจริญเจริญทานจเจริญศีลเจริญภาวนาเ mm. พราะนี่แหละคือกิจสําคัญกิจที่เราสามารถที่จะเอาผลจากการบําเพ็ญเรื่องนี้ไปกับใจของเราได้ mm. เราใช้เวลาหกวันให้กับการหาสิ่งที่เราต้องทิ้งไปนเป็นของชั่วคราวแต่เราขอขอเพียงวันเดียวให้เรามาเจริญกับสิ่งที่เราสามารถเอาติดไปกับใจของเราได้แล้วถ้าเราทำไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเห็นผลเห็นผลแล้วเราก็อยากจะทำมากขึ้นไปตามลำดับต่อไปเราก็จะไม่อยากจะทำงานทางโลกเลยช่้เอางานเอาเวลามาทำงานทางธรรมดีกว่าเพราะทางธรรมนี้เป็นของแท้ของจริงของที่เป็นที่พึ่งของใจเราได้ ของที่จะทำให้ใจเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่คือภารกิจทั้งในวันพระที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรวมาทำกันก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุมโมทนาให้พรยาธาวารวะฮาปุราปริโพเลนติสาขลังเอวามวาอิตทินางเปตานาังอุ ป, ปการปติ อิติตังปัตติตังตุมหังคิดว่าเมวะสมิจจตุสัพเทปเรนตุสังกปาจันโทปนะระสสยธามณิจุติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะ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 ถ้ามาถามตอนที่เลิกแล้วก็ต้องขออนุญาตจะไม่ได้ตอบเพราะไม่สะดวกเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะถามก็ถามตอนนี้ถ้าไม่ถามเองก็จะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้อนนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กับนมัสการ์พระอาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทาง facebook พระอาจารย์สุชาติ3ามท่านทาง youtube พระอาจารย์สุชาติ สามร้อยสามสิบสามท่านทาง y o ท t u b e อกเตอร์ว e ชแนลท่านพิทยุออนไลน์12ท่านครับ House 4ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ250ท่านรวมทั้งหมด 1,004 ท่านครับครับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมหน้ากุฏิ ถ้าลูกเถียงต้องทําอย่างไรคะท่าอะไรเนะถ้าลูกเถียงค่ะต้องทำอย่างเไรเถียงก็ฟังเฉยๆเยไม่อนเอาไปโกรธมันไปมันเถียงไปถ้ามันไม่ได้เ อ, อถ้ามันเด้อมันไม่ทําตามก็ไล่มันออกจากบ้านไปก็แล้วกัน <c oughs> <c oughs> เจ้าค่ะจากคนวันนี้เจ้าค่ะทำบุญกับทําทานผลลัพธ์ที่ได้ต่างกันอย่างไรคะอันเดียวกันบุญกับทานนี้แปลความหมายอันเดียวกันคือการให้ให้ข้าวของเงินทองให้กับใครก็เป็นทานผลก็คือบุญคือความสุขใจอิ่มใจเจ้าค่ะจาก Facebook ค่ะคุณคุณลี กราบเรียนถามเจ้าค่ะระหว่างวันจเจริญสติด้วยการบริกรรมว่าการแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาร่วงล้นการแก่เจ็บตายไปไม่ได้ตลอดทั้งวันเพื่อจะได้ระลึกถึงให้ติดในใจแต่เวลานั่งสมาธิจะ ก, กาหนดพุทโธอย่างนี้ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะได้ตามได้ที่เราห้ามความคิดของเราได้ไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ก็ใช้ได้ สักขาจากคุณประพันธ์การขอให้ไปสู่สุคตินอกจากสวรรค์6กชั้นแล้วยังรวมถึงภพภูมิของมนุษย์ด้วยไหมครับการทำบุญมากกว่าทำบาปเมื่อตายไปได้ไปสวรรค์ก่อนเสวยผลบุญจนหมดแล้วจะต้องมาเสวยผลบาปต่อในทุกคติภูมิไหมครับต้องผ่านต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนเพราะช่วงนั้นบุญกับบาปมันมกาลังเท่ากัน บาปดึงไปอบายยังไม่ได้บุญก็ดึงไว้ในสวรรค์ไม่ได้ก็มาเป็นมนุษย์ก่อนพอมาเป็นมนุษย์แล้วถ้าเกิดทำบาปมากกว่าทำบุญเวลาตายไปถึงจะไปสู่อบายต่อไปจากหมอนเนวอัลาเคิลระหว่างปฏิบัติถือศีลแปดแล้วผีมักมาหลอกทาให้รวมจิตเป็นสมาธิได้ยากผมควรปฏิบัติตัวอย่างไรครับ ให้ลองถามอีกทีด้ยระหว่างปฏิบัติถือศีลแปดแล้วมีผีมาหลอกทำให้รวมจิตเป็นสมาธิได้ายากผมควรปฏิบัติตัวอย่างไรครับควรจะมีสติตลอดเวลาถ้ามีสติแ ล, วล้วผีเข้ามาไม่ได้พยายามพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วผีจะไม่กล้าเข้ามาจค่ะคำถามจากนักกุฏิ การที่ลูกชอบทําบุญคืออยากทําบุญถือเป็นกิเลสอย่างหนึ่งไหมคะเพราะเป็นความอยากคือการติดบุญไหมคะไม่เราเป็นบุญเป็นกุศลเป็นธรรมะเป็นมัมต้องติดบุญถึงจะสามารถที่จะฆ่ากิเลสได้ถ้าติดกิเลสก็จะฆ่าฆ่าฆ่าไม่ได้ให้พยายามทําบุญไปติดบุญนี่ไม่เสียหายอะไรบุญมีแต่คนมปีประโยชน์เหมือนยารักษาโรค เ จ, จาก youtube กราบเรียนถามถ้าผู้ที่อายุมา ก, กเกษียณมีครอบครัวอยากจะบวชต้องอยากขาดหรือยังสามารถปีชื่อในทรัพย์สินบ้านที่ดินต่างๆได้หรือไม่ครับถ้าบวชจริงๆก็ไม่ต้องการอะไรติดตัวไปยกให้ ค, คนอื่นไปหมดเพราถ้ามีทรัพย์สินมีอะไรติดตัวไปมันก็จะเป็นภาระแก่จิตใจเป็นตัวถ่วงความเจริญในการปฏิบัติ ถ้าต้องการปฏิบัติจริงๆต้องการบวชจริงๆก็จะไม่ต้องการมีอะไรติดตัวไปเจ้าค่ะจากคุณนนท์ค่ะติดความสงบจนไม่เป็นอันทําอะไรเลยควรแก้ไขยังไงดีครับก็ดีความสงบดีกว่าติดเที่ยวติดอะไรหายติดความสงบแล้วไม่เป็นไรค่ะ จากคุณนาวินเจ้า Facebook, กเฟซบุ๊กกลับนมัสการพระอาจารย์การนําจิตกลับบ้านคือร่างกายทําวิธีใดได้บ้างครับทําไม่ได้หรอกจิตมันถูกบุญกับบาปนําไปคนเรานี่ไม่มีอํานาจที่จะไปดึงจิตใครกลับบ้านกลับเบิร์นได้หรอกอพอตายไปเพราบุญกับบาปจะทําหน้าที่ทันทีถ้าบาปก็ดึงไปอบาบัยถ้าบุญก็ดึงไปสวรรค์เจ้าค่ะ จากคุณอ๋องย Tube การนั่งสมาธิถ้านั่งขัดสมาธิธรรมดาไม่ใช่ขัดสมาธิเพชรจะสามารถเข้าถึงความสงบได้หรือไม่ครับได้ถ้ามีสติถ้าไม่มีสตินั่งท่าไหนมันก็เข้าสู่ความสงบไม่ได้ปัจจัยสาคัญของการเข้าสมาธิคือสติไม่ใช่อยู่ที่การนั่งนั่งในท่าไหนก็ได้แต่ถ้าไม่มีสติแล้วนั่งท่าไหนก็ไม่มีวันที่จะเข้าสมาธิได้ เจ้าค่ะจากทางเฟซบุ๊กคุณกำอนกราดมรสการถามมีอาจารย์ท่านหนึ่งสามารถสะกดจิตแล้วสามารถเห็นอดีตชาติของผู้ที่มาให้ท่านช่วยพระอาจารย์คิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ครับไม่เห็นไม่รู้ด้วยไม่สนใจไม่เป็นนักเป็นทางสู่การหลุดพ้นนะไม่ต้องไปสนใจเห็นกิเลสดีกว่าเห็นความโลภความโกรธความหลงเราหยุดมันให้ได้อันนี้เป็นประโยชน์กว่า เจ้าค่ะคำถามจากหน้ากุติการเจริญสติในอริยบท4ต้องทํำยังไงถึงจะถือว่าเจริญสติครับก็รู้ตลอดเวลาว่าร่างกายอยู่ในอริยบทใดกําลังยืนก็รู้ว่ายืนกําลังเดินก็รู้ว่าเดินกําลังนั่งก็รู้ว่านั่งกําลังทําอะไรก็รู้ว่ากําลังทําอะไรกําลังกินข้าวก็อยู่กับการกินข้าวกําลังแต่งเนื้อแต่งตัวก็อยู่กับการแต่งเนื้อแต่งตัวนี่คือการมีสติอยู่กับร่างกายในทุกิริยาบทของการเคลื่อนไหว เจ้าค่ะจากคุณอุษาทางเฟซบุ o กเจ้าค่ะคนแก่หรือคนป่วยที่ไปไหนไม่ได้หรือนอนติดเตียงพวกเขาจะสร้างบุญกุศลให้ตัวเองได้อย่างไรเจ้าค่ะได้ดีกว่าคนหนุ่มคนสาว เ, เพราะมีเวลาเจริญสติอยู่ติดเตียงไม่ไรู้จะทาอะไรกบพุโทโธพุโทโธไปทำสมาธิไปจิตรวมรวมลงได้ง่ายถ้ามีสติมีเวลาเจริญสติ ถ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวก็จะอยู่เฉยๆไม่ได้ก็ต้องไปเที่ยวไปเล่นไปทำนู่นทานี่ก็จะทำให้เข้าสมาธิได้ยากกว่าเหตนถ้าคนที่เป็นคนแก่ไปไหนมาไหนไม่ได้นี่ถ้ารู้จักวิธีทำสมาธิก็สามารถเข้าสมาธิได้อย่างง่ายดายอย่างรวดเร็วถ้าจเจริญสติอย่างต่อเนื่องเจ้าค่ะมีคำถามจากทาง youtube กราบธรรมัสกานพรรยาจารย์ครับ เป็นคําถามต่อเนื่องจากเมื่อวานหากจิตดิ่งจนถึงแสงสว่างและมีความสุขมากเราควรอยู่ในสภาวะนี้นานเท่าไหร่จึงควรถอนออกมาพิจารณาทางด้านปัญญาครับนานจนกว่ามันจะถอนออกมาเองอย่าไปถอนมันออกมาปล่อยมันอยู่ไปนานๆเพราะเป็นสภาพที่มีมีความสุขให้กําลังกับจิตใจเป็นเหมือนการชาร์จแบตเตอรี่เวลาเราชาร์จแบตถ้ายัางไม่เต็มเราก็อย่าเพิ่ง ซึ่งถอนปัักไหวมันชาติปัจกามันจะได้เต็มร้อยพาจิตมันอ็มกับความสงบแล้วมันจะถอนออกมาเองเจ้าค่ะจากทางยูทูบด็อรวีกระบาษนรมาสการครับถ้ามาวัดแต่ใจไม่ได้อยากมาวัดได้บุญไหมก็ยังไม่ได้บุญเพราะว่ามันต้องมาด้วยความยินดีถ้ามาด้วยการถูกบังคับมันทนันทีได้บุญกลับจะได้บาปได้ความทุกข์ใจเพราะต้องทาในสิ่งที่ฝืนใจทา ก็ยังไม่ได้ความสุขใจได้ความทุกข์ใจเจ้าขาจากทางยูทูบพระอาจารย์ลูกเกลียดแม่เกิดจากบาปกรรมอะไรมาเจ้าขาเกิดจากการที่เราไม่มีความเมตตาต่อผู้ไม่มีความกตัญญูกตเวทีไม่รู้บุญคุณของผู้มีพระคุณก็เลยทําให้เราถูกอานาจของโทสะความความชังที่ฝังอยู่ในใจเรามันแสดงตัวออกมา แต่ถ้าเรามีความสำนึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณมีความเมตตามีความปรารถนาดีกต่อผู้อื่นเราก็จะสามารถห้ามความโกรธต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นมาได้เจ้าค่ะจากทักเฟ e บุ๊ก Facebook. กลับในมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูปฏิบัติวิปัสนาและสมถะควบคู่กันรู้สึกว่ากิเลสเกิดขึ้นแต่เบาลงเบาลงเช่นความเจ็บ ก็ไม่ทุกข์เพราะร่างกายเจ็บเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่หนูยังรู้สึกว่ากิเลสมีอยู่อีกเยอะควรทำอย่างไรต่อคะก็คอยกำจัดมันให้หมดนะกิเลสตัวไหนโผลขึ้นมาก็ต้องหยุดมันเดี๋ยว ก, กิเลสมันก็จะหมดตัวเองเจ้าค่ะจากยูทูปพระอาจารย์ กราบเรียนถามพระอาจารย์คนที่ป่วยแต่มีอายุยืนกว่าคนปกติทั่วไปชาติที่แล้วทําบุญหรือบาปมากกว่ากันครับคือการมีอายุยืนยาวนานนี่มันก็มีหลายปัจจัยด้วยกันบุญก็มีส่วนชาติก่อนมีบุญมาก็จะทําให้อายุยืนยาวนานแต่มันก็มีปัจจัยอย่างอื่นอาหารที่เรากินเป็นพิษหรือเปล่าอากาศที่เราสูดเข้าไปเป็นพิษหรือเปล่า เหลนี้ก็มีเหตุที่จะทำให้อายุยืนอายุสั้นได้ไม่ใช่อยู่แต่บุญอย่างเดียวเจ้าค่ะคำถามจากน้กกุฏิเจ้าค่ะ for beginner in studying buddhist what is the best way to start meditation to start meditation you have to learn how to control your thought first and in order to control your thoughts we You have to have mindfulness. Mindfulness is keeping your mind concentrated or focused on one object only, such as a mantra, butto butto. Stay with butto butto all day long. Then when you sit down and meditate using butto, your mind can become calm and peaceful and happy. How to know if meditation is on the right path? When the mind becomes calmer and calmer, when the mind doesn't think, when when the mind stops thinking, and you feel peaceful and happy, then you are on the right track. ค e า sir. q า e s t YouTube p ระ j า a What is the difference between the b r i l l i a n ต e of wisdom and the brilliance of m e d i t a t i ค n Thank you. Oh, the brilliance of wisdom is that it can p e n ้ t r a t e into t ถ้ามีปัญญานี่จะเป็นเหมือนตาเอ็กซเเห็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ผิวหนังของร่างกายเราได้เห็นโครงกระดูกเห็นตับเห็นไตเห็นปอดเห็นหัวใจเห็นลำไส้ mm hmm. แล้วสามารถเห็นความแก่ความเจ็บความตายล่วงหน้าได้ mm hmm. อันนี้คือแสงสว่างแห่งปัญญาเจ mm hmm. ้าค่ะยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะไม่นี้ก็หมดเวลาพอดีสหรับอ่ะยังมีคาถามนะเข้ามาเเอาไมโครโฟนไป พูดผ่านทางไมโครโฟนหพ่อคขออนุญาตถามเป็นภาษาอังกฤษได้ดใกล้ๆหน่อยค่ะพูดใกล้ๆไม่หน่อยพูดใกล้ๆไม่หน่อยอ๋อค่ะได้ค่ะหลว่ะขออนุญาตถามเป็นภาษาอังกฤษนะคะจริงๆหนูขอถามเป็นภาษาไทยดีกว่าค่ะภาษาอังกฤษราไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ คือหนูพยายามที่จะอธิบายเรื่องของสติแล้วก็การทําสมาธิแบบสมาถะกับวิปัสนาเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่รู้สึกว่ า, ามันจะมีคำถามนึงที่หนูรู้สึกว่าหนูอย่างอธิบายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะคะ่ะหลวงพ่อคือเรื่องของการวิปัสนาการวิปัสนาถือว่าเป็นการใช้ความคิดอยู่ไหมคะใช่ถูกต้องใช้ความคิดศึกษาความจริงศึกษาอริยสัจสีศึกษาใจลัคน์ต้องใช้ต้องใช้ความคิดวิเคราะห์ ต้องรู้ว่าอานิจจังเป็นยังไงรู้ว่าทุกขังเป็นยังไงรู้ว่าอนัตตาเป็นยังไงแล้วถ้าสมมติอย่างสมมติหนูฝึกเองอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วถ้าสมมติว่าหนูนั่งสมาธิหนูนั่งสมาธิให้สงบก่อนแล้วหนูค่อยทําวิปัสสนาคือการใช้ความคิดคิดถึงเรื่องของทุกทุกอานิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมคะหรือจริงๆหนูสามารถสลับสเต็ปกันได้คือหนูวิปัสสนาก่อนคือเห็นความไม่เที่ยงก่อนแล้วเข้าถึงความสงบค่ะ ก็ได้ถ้าหนูใช้วิปัสนาได้ก็ใช้วิปัสนาแทนสติก็ได้แล้วสิ่งไหนถึงจะทําให้หนูเข้าถึงปัญญาค่ะก็เพปัญญาก็ต้องคิดอย่างต้องวิเคราะห์อนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นร่างกายเรานี้เราต้องถามว่าเป็นอนิจจังหรือไม่เป็นอนิจจังเราก็จะได้คําตอบว่าเป็นอนิจจังใช่ไหมเป็นของไม่เที่ยงอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงไม่ถาวรเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้คืออนิจจัง ถ้ามันเป็นอนิจจังเราก็ต้องอย่าไปฝืนความจริงเพราะเราฝืนไม่ได้เราจะไปห้ามมันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้แล้วถ้าเราไม่อยากจะทุกเราก็ต้องปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไปนั่นหมายความว่าการคิดแบบศาสนาพุทธไม่เหมือนกับการคิดเพื่อหาคําตอบปกติหรอคะหมายถึงว่าสมมติว่าเราคิดในชีวิตประจําวันเพื่อแก้ไข<ค>ปัญหาอะไรของทางพุทนี้เราจะ หาเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายเราเป็นหลักศึกษาเรื่องธรรมชาติของร่างกายของเราว่าเป็นยังไงเป็นเป็นตัวเราของเราหรือไม่หรือไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นตัวที่ให้เราให้เราทุกข์หรือให้เราสุขกันให้มองสามอย่างนี่ถ้าเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราก็จะตัดมันไปปล่อยมันไปอย่าไปยึดไปติดอย่าไปรักไปหวงมัน มันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายก็ปล่อยมันแก่เจ็บตายไปเราก็จะไม่ทุกข์กมันถ้ mm. uh, างั้นเดี๋ยวหนูถามเพื่อน mm. เพื่อนที่มาด้วยกันนะคะ so like for the beginner in in in practicing meditation how long should he start with and also does he have to come to the temple to practice or what is a what is the fastest way to do the meditation at home you can do a meditation anywhere If you can control your thoughts, in order to control your thoughts, you need something to hold your mind to, like a mantra, buttoh b u t t o If you keep reciting buttoh b u t t o then you can stop your mind from thinking. And then when you meditate, you sit down and close your eyes and recite the mantra buttoh b u t t o until your mind becomes still, peaceful and happy. Then you have reached the first stage of meditation. And also, the puto t is, is still considered to be samatha, yes, k a m m a t a n yes. You need to do samatha first before you can go to vipassana. After you have samatha, when you come out of meditation, then your mind is ready to study the nature of the body and to see what the body is actually is. is it is it permanent or not permanent? Is it subjected to aging, sickness, and death or not? Yeah. If it is, then you have to get. You have to accept it. If you don't accept it, then you can you can suffer. If you don't to suffer, if you if you don't want to suffer, then you have to let the body get old, get sick, and die. And also, is it mandatory to meditate until you receive the Chan? Yes, first you need to still the mind first to make the mind still. Because when you can still the mind, you have the strength, the ability to. Stop your resistance to the truth. Right now, you resist the truth of the body. You don't want the body to get old, get sick, or die. That's the cause of your unhappiness. And can you give a simple guideline for? Uh, because I think Chan has four levels, from my understanding. How can I know that I reach each level? You don't need to know each level. You just get to the fourth level. Just keep, keep reciting mantra, buto buto. Don't stop until you reach the Fourth level, then you'll stop. Then you'll find peace and happiness. Don't worry about the other three. You pass them quickly sometimes. Uh, um, for when uh, I want to understand a little bit more concept because I want to know if yan is something important in getting the wisdom. Yes, yan is mean. You have seen the things. You have seen permanent in the body. Then this is yan. See the truth. Right now, you don't see the truth of the body. You see the body to be lasting. You don't want the body to die. You don't want the body to get old. You don't want the body to get sick. But when you study the nature of the body, see that it, it will get old, get sick, and die. Then you then you get yana, get yana, uh, the knowledge of the, the true knowledge of the body. When you have yana, then you look, don't stop. You don't resist the truth. You let the truth happen. Let the body get old, get sick, and die. Mm. Okay, one last question. So I I want to know, like, when I meditate and I start to pain, I start to feel the pain physically. Should I step out first or should I stick to it? If you want to master your your pain, then you have to stay with the pain. Leave the pain alone. So keep watching the pain until it's no, gone. No, no, no. Watch. Use the mantra Bhuto Bhuto to so, forget about the pain. So focus on the mantra, not yes. focusing on the pain. Right. Because when you focus on the pain, you want to get rid of it. And when you can t when you cannot get rid of the pain, you you suffer. If you don't want to suffer, then you try to pull your mind away from the pain by staying with the mantra Bhuto Bhuto, and then you you can forget about the pain. And when you forget about the pain, then the pain will not bother you. Which which suggests that if I have the pain in my body, I cannot get out of the meditation yet until I don't feel the pain anymore. Then it's the right time to step out from the meditation. That's right. You want to train your mind to be able to withstand the pain. So if you get out of meditation, you it means you cannot withstand the pain. So every time you meet pain, you will have to run away from it. If you don't want to run away from pain, then you have to teach your mind to stay still and face the pain. Let the pain arise and cease by itself. Okay. a d u ka. Okay. Alhamdulillah, hari ni wakti kan mud padi. Koiri tahan jongnamal sengi tahan deh in deh fang bay pinit piterana b y p a